ข้อวัดอีกนับไม่ได้ไม่ไหวกลัวอาเลยทักลัวจะรวยใช่ไหมทั้งทั้งที่แล้วถามว่าได้อัทธรถบ้างไหมรักษาศีลกันมาได้อัทธรตของศีลไหมได้ธรรมารตไหมได้อัทรถได้ธรรมารตของศีลไหมล่ะ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 กรุณาในสัตว์โลกต้องอดทนต่อการที่ไม่ยอมพ้นทุกข์ด้วยกรุณาทรงกาหนดรู้ทุกข์ของบุคคลอื่นนะด้วยพระปัญญาฉะนั้นพระพุทธเจ้า ก, กาหนดรู้ชาติทุกชรลาทุกขมรณะทุกข์กาหนดรู้ความโศกความล่ํา่ไรลาพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจ กำหนดรู้อุปาทานขันห้าวันนี้คือรูปนี้คือเวทนาสัญญาสังขยารวิญญาณ น, นี่คือขันธ์าตุอยายตนะที่หมุนไปในสังสารวัตรเนี่ยเห็นสัตว์โลกที่กําลังประสบความทุกข์ในสังสารวัตจากการไม่ยอมขาดลงของกระแสขันอย่างถาวรไม่ปรินิพานอย่างถาวรนของขันธ์าตอยายตนะของสัตว์โลกเนี่ยด้วยพระปัญญาด้วยพระปัญญาคุณ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 หวาดกลัวด้วยการุณาไหมถามว่าแล้วถ้าจะเดินไปในสังสารวัฏเนี่ยจะเดินไปให้เขากลัวเราไหมไม่ได้ต้องจเจริญพรมวิหารต้องจเจริญการุณาไม่ให้เขากวาดกลัวไม่ให้เขาสะดุ้งไม่ให้เขาทุกข์พะมีการุณานั่นแหละไม่ให้คนอื่นหวาดกลัว และในขณะอื่นว่านอกจากไม่คนอื่นกลัวตนเองแล้วตนเองก็ไม่กลัวผู้อื่นด้วยพระปัญญาด้วยเอาทาไมไม่กลัวท่านสามารถอยู่กับเสือก็ได้อยู่ในป่าก็ได้ทาไมอยู่ได้เพราะท่านมีปัญญาถามว่าคนมีปัญญาเนี่ยมองทะลุทะลวงเนี่ยถ้าไปเห็นมหาจรอยู่ข้างหน้าถามว่า จะกลัวมหาโจรไหมกลัวไหมทําไมไม่กลัวมหาโจรผู้นี้เคยเป็นพ่อเป็นแม่เคยมีอุปการะคุ้ณในสังสารวาัฏท่านเห็นได้ปัญญาท่านจะไปกลัวอะไรและท่านผูกสัตว์นั้นไว้ในตนแล้วท่านเห็นเหมือนลูกของท่านก็ะดาใช่ไหมเหมือนท่านเห็นปัญญาแมานที่กําลังเอาอารวาทท่านเหมือนลูกเหมือนเด็กทารก ที่ยืนอยู่ที่เท้าท่านนี้ท่านไม่กลัวได้ปัญญางั้นทรงไม่ทรงกลัวผู้อื่นนะด้วยพระปัญญาเมื่อทรงรักษาผู้อื่นด้วยการุณานะชื่อว่ารักษาพระองค์เมื่อรักษาพระองค์ด้วยปัญญาก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นใช่ไหมฉะนั้นการที่บอกว่า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 นั่นแหละนั่นแหละตัวนี้นั่นแหละสังสารวัตรอืมอ่าสรุแล้วก็เอาสังสารวัตรนี่ขนาดเดียวกันกสังเสริญพระพุทธคุณด้วยต้องสังเสริญใช่ใช่ใช่คำว่าสังสารวัตรเนี่ยมันจะเป็นการช่วชูพใชแน่นอนแน่นอนใช่ใ ใครเราเป็นคนเห็นสังสารวัตรใ ช, ใช่ไหมถ้าไม่ ส, ส, สรรเสริญพระเจ้าแล้วเราจะไปเขียนสังสารวัตรได้ยังไงก็เขียนเขียนไปตามนั้นก็จะนใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ที่ต้งหมดเลยตรงนี้ทิ้งบอกทิ้งอยากให้เราได้เข้าใจว่า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 ต้องอสงสารวัตรมาทําอริยสัจให้ชัดนีนต้องนี่นต้องเห็นถ้าไม่เห็นอันนี้เดินสุกโตถ้าไปดูโลกวิถุชัดกว่านี้นี่คือรู้สังสารวัตอย่างแจ่มแจ้งเ่ยไปอยู่ในโลกวิถุตรงนั้นเลยจะชัด